ตอนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายกันเลยครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจโอ้โ ห, โ ห, หคุณคิงครับเราได้คุยกันหลายรอบนะครับเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของคุณทะะ้ายไหฮะฟังอยู่ครับนะ่ากลัวน่ากลัวเนาะมันแจ็คขอดแตกมากอะ่ะนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่คุณคิง มีการมาบอกบุญนะครับให้กับแฟนเพจ The Ghost Radio ได้ร่วมกันทําบุญการสร้างพระประธานนะครับก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะครับพบแล้วครับเพราะว่านอนที้ประกาศไปเราเรจะขาดอยู่แค่ประมาณหมื่นเก้ากว่าครับจำนวนก็ต้องต้องขอขอบพักุณทุกท่านเลยนะครับพักุณแจกด้วยที่ให้โอกาสในการที่ประกาศจุดเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงโค้งท้ายแล้วที่เราจะทำพระให้เสร็จเนี่ยแล้วก็จะปิดกัดพอได้ พี่จ็ช่วยปุ๊บประกาศในราการเดโกสช่วยนะครับ<ถ>ครับครุเดียวเองพี่จ็ประกาศตอนบ่ายวันเนี้ยทางเช้าสายวันหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วโอ้คือต้องบอ ก, กว่าขอบขอบกบุญทุกท่านเลยครับโอคุณผู้ฟังเ <c oughs> ดอะโกสเลยเดียวครอบครัวเราน่ารักทุกคนนะฮะ <c oughs> ต้องบอกเลยน่ารักมากๆแล้วก็สายบุญกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาก็บอกโลกาศาสตร์ทุกท่านะครับกับทุกท่านเลยจริงแล้วก็เดี๋ยวผมทำปุ๊บเนี่ยค่ะทางทั้งเฟซผมเนี่ยจะมีการอัพขึ้นเรื่อยๆแต่ทองเฟซพี่แจ็คเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพจ ผมเก็จะไม่ขึ้นท่อมเพื่อหรอกเอาเสร็จพุทเนี่ยผมจะส่งให้พี่แจ๊เอาขึ้นบอนเสร็จทีเดียวเลยได้เลยได้เลยนะฮะยินดีเรื่องงานบุญบอกเราฮะเราช่วยกันเต็มที่ครนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับมาุครับปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับอันนี้เป็นเรื่องผมมีคำถามหนึ่งน้พี่แจคผมขอถามอีกหนึ่งได้อันนี้ขำๆแล้วพี่พี่บัตรจะสึกจะดูเลิกไหมครับพิบัติคือบวชวันนั้นก็สึกเลยฮะ หัวเจ็บถายน้ำเร็จสึกเลยครับเจอแกอยู่วัดคนเดียวไม่ไหวแล้วงานฮะฮะอาคุณคิงมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องของอาถานการเส้นไหว้เรงนี้เป็นเรื่องของใครเอ่อเป็นเรื่องของเจ๊คนนึงครับแต่ว่าอยไม่ต้องการให้ผมเผยชื่อเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่เป็นรีสอร์ท แห่งหนึ่งใ น, ในไม่ดอกคลาสดสิว่าเพราะว่าลักษณะที่ผมเล่าไปเนี่ยอืมคิดว่าคนที่อยู่ตอ น, น, นจะรู้แล้วก็ชื่อของชื่อของเจพ อ, อ, จอนี้่เขาต้องเรียกว่าเจเขาเขาเรียกเหนตัวว่าเจเจพอนี่เจบอกว่าถ้าเอ่ยไปอ่ะแม้กระทั่งเจ้าของเลยเพื่อนๆในกลุ่มไปรู้รู้จักทันทีแกจึงของให้เล่าเป็นเรื่องไปเหมือนแบบไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ไ, ได้ครับไม่เป็นไรมาเรื่องของอาถรรพ์การเส้นไหว้เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณคิงลุยเลยครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแ ห, งแหง่งหนึ่งนะฮะเกิดกับเจ้คนนี้ยซึ่งเจ้คนนี้นี่แกเล่าว่าปกติแนละ้วแกเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วก็ลักษณะการเท่าที่ผมคุยกันแกจะเป็นคนปากไหวแกก็ยอมหลับแล้วว่าแกปากไหวแกช อ, ช, ชอบทักชอบท้าทายอะไรทุกคำเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอะไรที่มันงงไงเง่าเกันไปก็อย่ามาพูดประมาณว่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วเนปะ็คนที่ชอบพูดจาผมคุยมาผมก็เห็นว่าแกพูดจาขะขาจริงๆ ตอนนี้แกได้เข้าไปทํางานที่นั่นเนี่ยแกก็บอกว่าตอนแรกเนยแกเป็นไปเป็นผู้จัดการโดยส่วนรวมรีสอร์ทแห่งนี้จะมีตัวตึกที่เรียกว่าคือภาษาเขาเรียกกันเองนะครับคือตึกฝรั่งกับตึกไทยถ้าตึกไทยคือตึกที่เป็นบ้านไม้ทรงไทยมีสามชั้น <S S S S S S S คือชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นสามเนี่ยจะเป็นห้องใต้หลังคาครับตอนนี้ไอ้ส่วนที่เป็นตึกฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นตึก คือใช้ปูนใช้อิฐทำเนี่ยเขาก็เลยดูว่ามันเป็นทันสมัยก็เลยเรียกว่าตึกฝรั่งตอนแรกแกก็ดูทั้งสองฝั่งอสองฝั่งเลยนะครับว่าไปๆปมาเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดหแต่ตอนหลังมาเนี่ยแกได้ยินข่าวหนาหูเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าไอ้ตรงเรียนไทยเนี่ยมันมีผีแกก็เลยบอกเฮ้ยมันทำถูกต้องทำไรแล้วจะไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้ว คนเขาว่าเขากพวกที่ทํางานด้วกันเนี่ยเขาก็นักถือศาสนาคริสต์นักส่วนใหญ่อืเขาก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยมีการวาจ้าทีไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่เขาจะพูดว่ามีผีครับอันนี้เจ้ปนะเด็นแกก็ว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าคนนับถือคริสต์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกง่ายๆหรอกถ้าถึงขนาดคนนักถือคริสต์เนี่ยเขาพูดอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันจะต้องมีต้นตอแต่แกก็ยังบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือแกจะพูดบูมึงนะไม่ใช่กูไปเห็นแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระนะเว้ โอเคถ้าอย่างนั้นอย่าขอลงไปคุมตรงนี้คนเดียวแกก็เลยไปขอเจ้าของว่าอาจัดการที่แกเปนผู้จัด ก, การทั้งสองฝังเนี่ยแกขอไปให้เวลากับทางเรียนไทยเนี่ยฝั่งเดียวได้ไหมคือไปเป็นผู้จัด ก, การแล้วดูแลตรงนั้นเลยฝั่งเดียวไอ้ตรงเรียนฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ยปล่อยเลยให้คนเรียนดูแลไปก่อนขอไปดูตรงนี้ก่อนว่าทําไมการควบคุมดูแลอะไรมันไม่เป็นการไม่เป็นงานสักอย่างเลยทําอะไรมันก็แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงตัวบางทีแขกเข้ามาเงี่ยต้อนรับไม่ดีหรือว่าเปิดห้องที่มันไม่ใช่หรือแขกอยดีก็ออก อ hmm. แบบไม่มีเหตุผลครับ <Okay. S 2> เขาก็เลยลงไปอยูตรงนั้นลงไปถึงก็ตอนแรกยัง <Okay. S 2> ไม่ได้ไปทําการวายะทิจทางอะไร hmm. แต่ก็ไปถึงอยู่ด้วยความไม่เชื่อแต่ยังมีการพูด ล, ยลอยๆก็ได้คาว่ามันจะสักแค่ไหนไว้ตรงเนี้ยครับ <Okay. S 2> พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ย hmm. เหตุการณ์ที่เริ่มต้นหลังจากที่ไปรับตําแหน่งตรงนั้นนยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์โดยประมาณเนะครับ hmm. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับวันแตกแ ส, ก, ส ก, ก็คือมี ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเป็นผู้หญิงสูงอายุแล้ะครับกล่าวผมเหมือนแบบว่าแ บ, บบโบราณแบบมัดมวยขึ้นไปแล้วก็ลักษณะเจ้าเนื้อนิดนึงเข้ามาตอนกลางวันแล้วก็มาบอกว่าขอดูที่นี่หน่อยได้ไหมแกเป็นผู้จัดการแกก็นึกว่าเขาจะมาเช่ามาเปิดห้องอยู่แกก็ยบอกว่าได้ค่ะอยากดูอะไรก็ได้เลยจะเดินดูตรงไหนก็ได้แล้วสนใจจะเปิดห้องไหนก็ได้นะคะอื ผู้หญิ ง, งแล้วบอกว่าไม่ได้คิดจะเปิดห้องออืแต่อยากจะมาดูที่นี่เฉยๆเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดินเก่าตรงนี้ครับ<ถ>เขาก็เลยว่าอ๋อก็คงจะเหมือนกับเจ้าของที่ดินที่ขายให้แล้วก็คิดถึงที่แล้วก็คงจะมาดูล้วมังก็เลยค่าเชิาสะอาดตามสบายอ่ะทีนี้ลักษณะที่เจ๊คนเนี้ยแกนั่งอยู่ก็คือนั่งตรงแรกเคาน์เตอร์ติดประตูทางออกทางเข้า<ถ>แล้วผู้หญิงคนที่มาเนี่ยผู้หญิงแตลกหน้าเนี่ยเขาก็มาถึงแล้วเขาก็เดิน เดินลงไปตรงระเบียงคือขึ้นกรได้ไปหน่อยหนึ่งไปชั้นสอแล้วก็เดินลงไปตรงระเบียงขัานนั่งตรงเคาน์เตอร์ที่เจ๊คนนี้นั่งอยู่เนี่ยจะมองไปเห็นว่าเขาเดินออกไประเบียงด้านนอกซึ่งคําว่าระเบียงเนี่ยมันมีจํากัดมันไม่สามารถจะไปไหนได้อีกละแหละเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับมาออื <dime> เขาก็นั่งมองอยู่แนละ้ว ม, มองบ้างไม่มองบ้างแต่ว่าที่แ น, น่ๆก็คือยังไม่มีใครเดินผ่านประตูอันนี้ไป <dime> แล้วแนเรือนไทยหลังเนี่ยจะต้องออกประตูนี้ประตูเดีย <pacing> วเท่านั้นอจะนั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงะจนในที่สุดตัดสใจเดินขึ้นไปตาม ไม่มีใคร้าพอไม่มีใครก็เดินหาทุกชั้นเลยนะครับไม่มีใครแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ๊เขาไปอยู่เนี่ยเขาไม่รู้นะว่าชั้นสามเป็นห้องใต้หลงังค า, ารู้แค่ว่าชั้นสามเนี่ยมันคงจะเป็นปีเจ็หรือว่าเป็นเป็นใต้ฟ้าหรนะืออะไรทั้งอย่างไม่คิดว่ามันเป็นชั้นชั้นหนึ่งตอนนี้เขาก็เดินชั้นหนึ่งชั้นสองไปถามเด็กไหนเด็ก ก, ก, ดก็ไม่มีนะเจ้เด็กไม่มีนะเจ้ผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงส่วนอายุไม่มีเขาบอกปิดบา คือเจ๊แกเป็นคนต่างวั่ะพูดกูมืออย่างนี้ผมบอกให้ว่าเฮ้ยกูเห็นเขาเดินเข้ามาแล้วกูก็ดูแลอยู่เนี่ยพอดูไม่เจออกไปเลยทำไมมึงไม่เห็นกันวะไม่มีอะเจ๊าอาจจะช่วยกันดูยินก็ได้เดินดูตามห้องก็ไม่มีสรุปไปไหนตรงนั้นก็เป็นแค่เรื่องขาดใจอยู่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจังหวะแปกๆไงพี่แจ๊คร<ช>ับอันนี้ขัดมาอีกไม่กี่วันก็มีแขกกลุ่มนึงเป็นคนไทยนะฮะใส่ชุดดาทั้งหมดเลยแล้วก็มาพักที่ โรงแรมอย่างเงี้ยมีกอดอย่างเงี้ยพอมาพักปุ๊บแล้วก็เหมือนกับช่วงกลางคืนเนี่ยเขาข ก, ก, ไไ ก, ากานะ็ขึ้นไปพักกันเลยไปไหนกันมาไม่รู้กลับมาแล้วขึ้นไปพักกันเลยแต่ช่วงตอนเช้าเขาลงมาเขายังใส่ชุดดำอยู่อืมเขาก็ไปไปต้อนรับไงเป็นไงคะสวัสดีคะ่ะนอนแล้วเป็นยังไงบ้างที่นี่สบายดีไห ม, มเขาก็หันมาเหมือนจะเป็นคนพูดน้อยกันนะครับครับก็สบายดีครับครบานนี้ความชัว่วเป็น เป็นคนดูแลโรงแรมอ่ะเขาก็จะมีการคุยเรื่องนู้เรื่องนี้ไปแล้วก็เลยถามไปเรื่องหนึ่งว่าขอทุกข่าเห็นจุดดากันมานี้ไม่ทราบมานี่เป็นเป็นงานศพหรือเปล่ากัหรือว่าหรือว่าจะไปงานศพที่ไหนอหอเขาบอกครับเป็นงานศพแม่ผมเองครับอ๋อแล้วเขาก็ออกเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าแม่ผมเมื่อก่อนเป็นเจ้าของที่ที่นี่ครับอแล้วก็ขายต่อให้กับเจ้าของเจ๊แกก็ร้ พอพึ่งเสร็จคุกแกก็หันไปถามคํานึ่งขอโทษ น, นะคะคุณแม่ของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ลักษณะอย่างนี้ อ, อย่างนี้แล้วก็เล้าผมด้วยใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้เขาก็หันมาด้วยความฉุนนะเฮ้ยคุณแม่ผ ม, มไม่ใช่ของเล่นคุณนะอะแล้วคุณจะมาทําไปรู้จักแม่ผมได้ไงคุณอายุเท่าไหร่ค<ถ>แล้วรู้ไหมแม่ผมว่านอนอยู่โรงพยาบาลนะแปดอ่าน่าจะแปดเดือนมัน้งครับแปดเดือนแล้วนะครับ แต่มาที่นี่เป็นไปไม่ได้เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเห็นมีผู้หญิงคนนึงมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าของเก่าที่นี่แล้วก็มาขอเดินดูเนี่ยอผู้ชายคนนั้นก็ถามงั้นคุณบอกลักษณะามาอีกทีหนึง่งแล้วมีอะไรเป็นจุดพิเศษพอเขาถามจุดพิเศษเจ้คนนี้แกก็เลยบอกว่าอาขอโทษนะครับไม่ได้ว่าร้อเรียนนะคุณแม่คุณเนี่ยปากเดี้ยวนิดนึงใช่ไหมผู้ชายคนนัคืออึ้งแบบขนลุกอะเกิดขึ้นงานหรื อ, อยังเรื่องเนี้น เมื่อวันสวันนี้ค่ะ่อนหน้าที่คุณจะมาเนะะี่ยค่ะอเขาก็นับตรงย้อนเวลาไปเหมือนช่วงที่ช่วงที่แม่เขาแบบกำลังขาดใจพอดีนะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้เจ้เขารู้สึกว่าเคยหรือที่นี่มันจะมีจริงแต่มันกลางวันนะเว้ยเขาพยายามให้เหตุผลกับตัวเองวันกลางวันแล้วผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผ uh, มไม่เชื่อผมแกพูดอย่างนี้เลยนะผมไม่เ <"M id S 2> ชื่อไม่เชื่อบอกอะไรไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นคนอื่นที่บังเอิญตรงกันและแก๊ก็แค่ถามเฉยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจออกแนวจะท้าทายจนได้ทำท่านี้ต่อมาไม่นานก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาทํางา น, นเด็กคนเนี้ยอ่าเจ๊คนนี้เขาจะเรียกว่าแว่นเรียกว่าแว่นเพราะว่าเขาใส่แว่นแล้วเขาจะบางคนแบนบพูดแบบช้า ๆ, ๆเหมือนคนเจ๊เขาบอกว่าเหมือนคนมีปัญหาทางจิตแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเวลาปกติก็มัมีหลายเจื่องแต่บาคนพูดน้อย แทบจะไม่สนทน า, ากับใครเลยอือืมแต่เรื่องที่แปลกก็คือเขาชอบเดินแล้วพูดคนเดียวครับ <c oughs> พูดอะไรไม่รู้เจ๊ก็สังเกตอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะสังเกตตั้วันแรกที่เข้ามาแก๊ก็พยายามคุยหรือว่าเฮ้ยน้องีองนนอ่มันมีปัญหาอะไรทางจิตหรือเปล่าต้องมาสมัครได้จากัดเขาหรือเปล่าอืมก็ปกติแนละ้วเวลาคุยก็ปกติแถ้ามันมชอบคุยคนเดียววะ่ะครับทีนี้แจก็ยอมเสียมารยาทหน่อยคือประมาณว่าถ้าเห็นคุยเมื่อไรเนี่ยเจจะแฉเข้าไปข้างๆเลย ไปทำเดินไปทำอะไระดูว่าคุยอะไรออืปรากฏต้องเป็นเรื่องเป็นราวพี่แจคือคุยเหมือนแบบอ่าเนี่ยหนูก็กินข้าวแต่วเราเงียบนะเอาเลยเปิดเลยมนาะจู้วก็กินได้อืออ๋อนั่นแหละข้าวอันทับท e, ีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนคุยอกับคนจริงครับเขาก็เลยทนไม่ไหวเลยว่าเฮ้ยเขาเรียก event, อีเวนต์เหรอฮะอีเวน เริ่มไม่ไหวแล้เนี่ยมึงอย่มาบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยที่มันโรงแรมา ร, รีสอร์ทจะมาเสียชื่ อ, อ ม, มาทําไปเดินคุยคนเดียวแขกที่ไหนจะมากล้าพักวััดครบเด็กที่ชื่อแว่นก็บอกพี่เขาเป็นคนผูดช้านะครับเป็นคนผู้ชา้าแค่พูด ช, าชา้าเฉยว่าพี่หนูคุยจะเขาจริงๆ<อ>เขาเป็นคนแก่เนี่ยออไหนคนแก่ไหนมึงคนแก่ไหนมึงเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างๆอยู่เนี่ยอคุยแต่ขนมคนเดียวทุกๆวันเลยออื อีเวนกูไม่เล่นเขาพูดอย่างนี้เลยนะและเขาก็ิ่บอกว่าหนูไม่เล่นตั้งไงดุมากว่าเดินขึ้นไปนู่นแล้วนั่นออ่ ะ, อะแล้วมึถามเขาเดียวเขาอยู่ตรงไหนกูไม่เห็นนี่จะมีศาลนักปูนสักที่หนึ่งเลยเจคุณนี้ก็อาจไม่ถาม ย, าย้ยายย้ายอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วก็เงียบสะพักอ่านเราบอกเขาบอกอยู่ห้องใต้หลังคาชั้นสามนี่ผมบอกพีแจ็คว่าตอนแรกเจเขาไม่รู้ว่าห้องไหนเป็นห้องใต้หลังคาครับครับ เด็กนึกว่ขึ้นไปแล้วเป็นไฟแต่จร<อ>ิงๆมันมีทั้งที่ไหนในชั้นสามก็เขาบอกว่าอย่างนี้ อ, อ่ะมันมึงก็ไปดูอะครูพอปรากฏขึ้นไปดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นห้องใต้หลังคาจริงๆใช่ครับอแต่ก็เลยเฮ้ยเผมเล่าไปแล้วนี่ผมกดดูเด็กเลยเฮ้ยไเด็กคนนี้มันเข้ามาที่หลังเราอมันจับรู้ก่อนเราแล้วมันก็ไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสองมันจะรู้ได้ไงว่าชั้นสามคืออะไรอเขาก็เริ่มมาบ้าสังเกตแล้วว่ามันมันแปลกแต่ว่าก็ดูอาการว่าเด็กคนนี้เป็นไงชอบพูดคนเดียวอยู่นั่นแหละ แล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดที่จําเป็นจะต้องคุยกับเด็กคนนี้อย่างจริงจังเพราะ mm hmm. ว่าเด็กคนนั้นเริ่มมีอาการแบบนั่งคนเดียวทําอาการหวาดกลัวเมือลอยจนแกนผมรู้สึกว่าีแววนมึงทํางานไม่ได้แล้วเพราะว่ามึงต้องต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยค mm hmm. รับกูรักเด็กทุกคนแลวเว้ยเห็นหูปากอย่นี้แต่กูไม่เคยไล่ใครออกแต่ถ้ามึงเป็นเงี้ยไม่ไหวนะเว้ยร้องคนที่แววนแกก็พยักหน้าแล้วก็หายไปหนึ่งคืนกลับมาเช้าอีกวันหนึ่ง ในขณะที่ทุกคนกำลังทํำกับข้าวพี่จ็คคนมันไม่มันมีไม่กี่คนน่ะไม่ไม่กนนะมี่กคนแล้วเขาก็สารวงกันอยู่ในครัวเพราะว่าแขกที่มาพัส ก, ก็สั่งนู่นนี่นั่นหลายอย่างอืน้องคนนี้ก็โผล่เข้ามาในตอนสายซึ่งเจ๋ใ น, นแกเตรียมได้าอ่แล้วตามที่ใช่กันและแกเตรียมขาแน่นอนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอทำกับข้าวให้จบก่นอนพอกําลังทำทำอยู่เจ๊ที่ชื่อแว่นเข้ามาเนี่ยแทนที่จะมาช่วยแกกลับมาด้วยจานตาขวางแล้วมผมเข้าก็ไม่หวีออื มาถึงพุกก็เอากระรมังเหล็กใบใหญ่ๆมาแล้วพี่แจ็นิ่วภาพตามนะครับเอาวุ้นเส้นเนี่ยเป็นวุ้นเส้นสดก็จริงมันนิ่มๆก็จริงแต่ยังไงมันก็ต้องลวกแลหน่อยใช่ไหมอันนี้เ้าเอามาหั่นหั่นเหมือนเชองจะตัดให้เป็นแบบเป็นฝอยๆเลยะแล้วก็ใส่ไปในกระมังแล้วจะเอาเห็ดมาหั่นแล้วก็ตัดสองตับหั่นด้วยแล้วก็ตับด้วยใสลงไปในกระมังอืมแล้วก็เอาผักนู่นนี่นั่นหั่นหันใส่ลงไปกระรมังแครอทแครอทใสลงในกระมังเสร็จแล้วเอาพริกซีฟู้ดน้ำจิ้มนะครับแล้ว หมูกระทะพวกนี้ลาดรวมกันทั้งหมดแล้วมือคนค น, คนแล้วก็ยกขึ้นกินอย่างนั้นเลยพี่แจอ๋อโห่กินอย่างนั้นเลยเหรอฮะกินคืนนอแบบควานเหมือนคนตะกาเลยเอาอหน้ า, <อ>ม า, ากมลงไปแกะกะมังแล้วมือวักกินวักกินวักกิ น, ก น, น, นอย่างเงี้ยอ๋อเจแกก็เฮ้ยแฟนมันทอะไรของมันยังไม่สุกอยู่มันก็ปวดท้องเราคงไปทำให้มันดีๆก่อนเด็กคนนี้ถามาบอกเรื่องกูกูจะกินแต่ก็โมหเจเพราะว่าแกเป็นผู้จัดการไงแกเขามีโกรหน่อยแกก็เฮ้ยมึงมาูดกูว่ากูได้ไงเนี่ยกูเป็นใครแล้วกูเป็นใครเน แกเดี๋ยวก่อเดี๋ยวผู้จัดการกับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่นงเดี๋ยวเดี๋ยวให้กับเข้าเสร็จก่อนเีแกก็ทำํำเด็กคนนี้ก็อานแล้บอกว่ามันจะมาอร่อยสมัยผู้จะดินแล้วก็อ่านจะกินอยู่เงี้ยยินไปตากวางไวคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดบริเวนโดยรอบ ก, ก็สังเกตุเด็กคนนี้ว่าเป็นยังไงกินจนหมดเหมือนกันพี่จ๊เป็นเต็มกระมังอ่ะกินเหมือนไม่ใช่คนกินได้อ่ะพอกินเสร็จเด็กคนนี้ก็เดินหายออกไปแกแกก็ทำกับข้าวเขมาไม่หยู่เลยออเดอร์อ่ะในขณะที่แกทําอยู่มีเสียงเรียกแกอืม เจ๊ช่วยหนุนหน่อยเจ๊แกกันเฮ้ยวันจะไรวะเฮยไปดูนี่วันจะไรทุกคนบอกไม่ได้ยินแต่แกบอกกูได้ยินเป็นหูเนี่ยวันจะไรเจ๊ช่วยหนุหน่อยเจ๊ออะไรของมันวะคเจ๊แกกก็เดินออกไปดูเลยคือเสียงเนี่ยมันอยู่แค่ข้างหน้าอ่าถ้าพี่แจ็คไปพักบริษัทหรือพักโรงแรมจะเห็นตรงนี้เขาทําเหมือนทํากับข้าวโทว์สดนะฮะมันอยู่ในเคาน์เตอร์เล็กๆที่เป็นเหมือนครัวด้วยเป็นเคาน์เตอร์กาแฟด้วยอย่างเงี้ย เขาก็เดินลงไปเสียงมันเหมือนอยู่แค่ข้างหน้าตรงนั้นแหะเหมือนหมอบอยู่ตรงนั้นแหลมเขาก็เลยเดินลงไปดูไม่มีอะไรเขาก็ตะโกนอีแวนกูไม่ไดนถ้ามจะบ้า้าเป็นคนเดียวตอนนี่กูทางานอยู่แล้วแก ก, กลับมาทากับข้าวใหญ่ล <c oughs> เลยโมโหก็โมโห่ช่วยก็ไม่ช่วยยังมาเปน็นอย่างนี้ไม่อะเส<อ>ียงเหมือนคนแบบแย่เต็งที่แล้วอีเวนเดี๋ยวถ้าพูดไปครั้งเราไม่เจอมึง น, นะจัดฟันเลยนะแล้วก็เดินลงไปทปุ๊บมึงไปอหไไม่มี แย่างนั้อยู่ตรงนั้นและแกเลยโผล่ไปแล้วก็พูดแต่มันไม่มีครับพอไม่มีแต่กูณพี่เขาเฮ้ยยังไงวะเนะี่ยเดินจับเข้ามาพอแค่หันหลังเข้ามาเอาขาจ้าวเข้ามาเนี่ยเจ๊ช่วยหนุ่มก้อนช่วยหนุ่มก้อนเสียงมาอย่างเงี้ยเจะเพิ่งไปเจ๊ช่วยหนก้อนแกเลยอันกลมาอีแม่งอยู่ไหนวะเจอนอนอยู่ตรงนั้นแหละพี่แจ็คแล้วที่แกออกมาตั้งสครั้งแล้วมายินมองแล้วมันไม่มีอะไรจากตอนแรกไม่มีแต่พอหันหลังกลับไปแล้วหันมามองทีหนึ่งเจอนอนอยู่ตรงนั้นเลย อยู่ตรงนั้นเลยค้างเหมือนกับมีคนกำลังกดหัวคือหัวที่ปูเนี่ยแล้วเหมือนจะหายใจไม่ออกกดหัวกดคอแล้วก็ลุกขึ้นอย่างพื้นไม่ได้ครับั้งหมดอีเวนต์เป็นอะไรเจก็สละของในมือทิ้งหมดเลยนะลงไปเป็นไรมันเป็นไรเนี่ยหาย่าอยเลยที่ชุดะที่ชุดละชรที่จพึ่งถามอาอืเจก็ไม่รู้ทําไงเนาะก่อนแรกแล้นแกไปหาหมอดูมาหมอดูก็ทักซึ่งแกไม่อยากจะดูเลยหมอดูอให้น้ำมลมาบอกวันหนึ่งมึงจะต้องใช้แกก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะแต่แกก็อรอมาลองดูหน่อยว่ามาลากปรากฏว่าเด็กคนนั้นลุกขึ้นออืดีขึ้นแต่่วา ก็ยังไม่หมดแกเขเลยลาดลาด์จนหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยพอไม่เหลือเสรพวกเจันก็แบบมาอยู่ข้างหลังแกแลก้วก็กลัวเจ๊ช่วยช่วยเจ๊่วยช่วยอยู่ดิขอยู่ดขขึ้นไปแล้วนะั่นแหลเจ๊แกเลยโมโหแกเลยบอกตกลงเป็นคนเดิมใช่ไหมัำม<ถ>ึงก็หนูคุยหนูก็เจแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเขาเลยมาเล่นหนูนี่ไงเจกแเลยเดินมาตกตกต้นหนูแกชี้ขึ้นม า, า, าแกอยู่ข้างล่างนะแกไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแกชี้มาบอก ถ้ามึงคิดจะอยู่ที่นี่แล <ใน S 1> <ấy> ้วทําเด็กที่นี่มึงก็อยู่ไม่ได้กูไม่ใช่เจ้าของที่นี่แต่กูเป็นผู้จัดการที่นี่ <ทะ S 2> ถ้ามึงทาเด็กที่นี่กูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันออื <Inaudible. S 2> แต่ถ้าจะเอาวันต่อปี่กูจะให้ปรากฏดคืนนั้นมีคนแก่คนนึงมาเข้าฝันบอกขอเล่าขวนหนึ่งจากไกดคู่หนึ่งแกก็เลยไปบอกเจ้าของพอบอกเจ้าของเสร็จเจ้าของก็ให้มาไงก็ทําก็จุดตามที่เขาเขาขอมา ตั้งแต่นั้นเรื่องของเรือนไทยฝงนี้ก็เงียบไปออืพอเรื่องเรือนไทยเงียบปุ๊บเรือนฝรั่งมาแล้วพี่แจ๊คจากที่นี่เงียบเรือนฝรั่งก็เริ่มเลยเด็กฝั่งเรือนฝรั่งเราบอกเด็ก้ครได้ยินเขาแล้วเด็ปากผีได้อ่ะเด็กบอกขู่เขาเลยปากูไหว้เฉยก็เพรมึงเป็นคิดอะไรก็มึงไม่อ่ะที่คนไทยเนี่ยเขาถือมันต้องไหว้ไหว้เจ้าที่ไหว้อะไรอย่างเงี้ยมึงต้องทำให้ถูกออื อันนี้ว่าเขามากูวันแล้วกูวอยวายไปพราะเขาบอกเข้าฝันกูก็ให้ไงแต่กก็พูดแบบอย่างเงี้ยนี่ใสแกแล้วแบบพูดเร็วๆพูดอะไรเขาเจ๊ไปดูทางนู้นหน่อยก็มีการคุยกันฮะติดฟังของมันมีบีอ่ะไอ้นี่มันขึ้นช่างใหม่นะเว้มันจะมีได้ไงวะกูมันมีจริงๆมันมีคนเจอถามเจอยังไงแกเราไปอยู่กันแล้วเจ๊จะรู้เองเออมากูอยากรู้แกเคยบอกเจ้าของเลยเดี๋ยวหนูขอไปดูทางฝั่งนี้ได้ไหม เขาก็บอกว่าทําไมอะได้ยินข่าวว่าเด็กมันป่วยแล้วเอาไปเป็นมือป่าดสีแล้วก็ไปเจ้าของเขาก็เหมือนกันว่าจะสนิทกันนะให้ความไว้ใจก็เลยจัดไปตรงตรงฝั่งเดินไทยเงียบไปแล้วนะพี่แจ่มไม่มีอะไรเลยเป็นปกติหมดแต่เจก็บอกว่าถือเวลาเดือนสักครั้งก็ได้ไหวเขาหน่อยตัต้งก er ับข <reated> e. ้าวอะไรอย่างเงี้ยโอเคทางฝั่งเดินไทยจบไปมาฝั่งเดินฝระ่งแกก็มาทํางานเวลากลางวันพอทํางานเวลากลางวันเนี่ย มันต็ไงเคยมีอะไรงไงพี่แจ็คมันจะเจอคนที่มาเฝ้ากลางคืนแล้วเขาบอกวันนัตรงนั้นมันจะเปิดที่เปิดเป็นมีคาราโอเกะมีห้องมีโต๊ะสนุกเขาบอกว่าคนที่มีมีฐานะในแค่แต่นในจังหวัดเด็งนั้นเลยมาเที่ยวที่นั่นแหละอืมแค่ทุกคืนเลยครับแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่เด็กมันบอกว่าเริ่มมีผีหลอกเริ่มมีเจอเด็กเจอผีหลอกมันใช้คาว่าผีหลอกเลยนะอืแขกก็ไม่เข้า คือแข็งไม่เข้าทั้งกลางวันและกลางคืนเลยคนเดียวก็ไม่มีแดกเชื่อไหมคนเดียวก็ไม่มีมันเป็นไปได้ไงจากที่ใส่บูมๆอ่ะ<ถ>อย่างน้อยถ้มันจะเผาโลมันก็ต้องมีมานั่งบ้างทักโต๊ะสองโต๊ ะ, ตะ อ, อะไรนี้จะว่ากันไป<ถ>นี่ไม่มีเลยไม่มีสักคนเปิดกลางคืนก็เปิดเหมือนแบบว่าเปิดชัดเจ้งเลยอะ่ะแต่ว่ายังดีว่าเ้ามีตรงที่เป็นส่วนของรีสอร์ทรองรับเขาก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเลย<ถ>เขาก็เปิดเอาไว้อย่างนั้นอืมเด็กก็เริ่มพูดกันว่า เป็นเพราอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกแล้วเมื่อไหรกูจะเจอกูมาอยู่นี่กูไม่เคยเจออะไรเลยครับเมื่อไรบอกเจเข้ากลางคืนเนี่ยอ๋อเรื่องอะไรกูต้องเข้ากลางคืนนะกูกลับไปนอนบ้านกูไม่ดีกว่าเหรอเข้าก่อนอยู่ที่เรือนไทยกูก็นอนเรือนไทยทีแล้วไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยกูกลับบ้านเมือตกกลางคืนคืนนั้นพอเจกูเสร็จเด็กคนที่เดี๋ยวคุณคิงตั้งนึงคุณคิงตั้งหนึ่งฮะตอนนี้เหมือนว่าสัญญาณในส่วนของไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับมันสะดุดมันกระตุกภาพค้างเฉยเลยฮะ ระหว่างที่คุณคิงกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับแต่ด<ต>ูเหมือนว่าตอนนี้เหมือนเสียงปกติหรือเปล่านะครับแต่ตแต่ตเหมือนกับภาพมันมันสะดุดค้า ง, างแต่ตอนนี้จะจ ะ, จะเริ่มมาดีแล้วเ ร, เริ่มเริ่มเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วโอเค<ช>โอเคนะฮะมาปกติและเฮ้ยคุณคิงเมื่อกี้คุณคิงเล่าอยู่อะเริ่มมันสะดุดไปเฉยเ ล, อเลยลนะอะก็ใช่ที่นี่ เออใช่อดีคือเวลาผมเจอคุณคิงเนี่ยนะครับมักจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อกี้มันเป็นแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วหรือเปล่านะครับหลายคนทีเออ่เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึง่งเพื่อความต่อเนื่องเพื่อความสมูทคุณผู้ฟังนะครับต้องขอภัยที่อาจจะเบรกอารมณ์ตรงนี้สักนิดหนึ่ง ตัวคุผู้ฟังที่ไม่ได้เข้าไปฟังในแอปในแอปอาจจะไม่สะดุดนะครับแต่ใน a c e b o o k live เนี่ยมีคนเข้าไปฟังจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องต้องต้องเช็คตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าสะดุดเนี่ยโอ้เดียวจเสียเสียอารมณ์กันนะฮะดูเหมือนว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะอ่าโอเคนะจากเรื่องของรีสอร์ททางฝั่งไทยทีนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของรีสอร์ททางฝั่งทางฝั่งยุโรปฝั่งฝรั่ง นะครับตอนนี้เจ๊กำลังโดนน้องๆนะครับท้าทายว่าถ้าเจ๊ไม่ตัวเนี่ยเจ๊ก็มานอนที่นี่เดีคยวแต่เจ๊มาเข้างคืนคุณคิงมาเข้าวังคืนแหนที่นี่สินะครับเอาตรงนี้ต่อคุณคุณคิงโทษทีอืครับได้ได้นะครับตอนนี้พรเดกมันท้างั้นเจ๊ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องเงินกคุต้องมาทําทำงานคืนที่นี่ด้วยครับ ปกติเนี่ยกุณไอยู่ฝั่งเรือนไทยคุก็ต้องรอนที่เรือนไทยกุไม่ได้กลับบ้านเลยคุณถ้ากลับบ้านมันก็ปล่อยกุบ้างเยอะเด็กก็เลยแบบไม่มีคำพูดกันก็บอกว่าเจ้ก็ไม่เจอหรอกกลวันใครจะไปเจออืมเจ๊้แกเลยบอกถ้าคนรจะเจอมันก็เจออ่ะมันก็ผ่านไปอย่างงี้จบกลางคืนในคืนนั้นแหลยวันที่เจ๊แกบอกว่ายังไงคุก็ไม่มานอนหรอกคุณทำงานกัาวันพอแล้วในคืนวันนั้นเด็กคนนั้นที่บอกว่าเจ้มาเปลี่ยนกับหนูก็ได้แล้วเลยถ้าเจอเรื่องประหลาดก็คือ คือเขาทาในโซนที่อยู่ด้านล่างผมต้องอธิบายก่อนนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอหันทางขวามือจะเป็นกระจกเข้าไปในประตูเข้าไปในคาราโอเกะคาราโอเกะเสร็ุ๊ก็จะเดินแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเป็นทางดิ่งลงไปเรื่อยเหมือนจะมุดลงไปใต้ดินแล้วจะเป็นโต๊ะสนุกเข้าไปในโซนข้างในคข้างหน้าู่เป็นคาราโอเกะสำหรับคนดื่มกินอะไรข้างในก็จะเป็นโต๊ะสนุกแต่ก็จะเป็นกระจกที่มองทะลุแล้วเห็นกันทั้งหมดบรรยากาศคล้ายโต๊ะสนุกทั่วไปคือมองกระจกเห็นกระจกว่าข้างในมีโต๊ะข้างในมีแขกไหมประมาณว่าอย่างนั้น แล้วตอนนี้ในขณะที่เด็กคนเนี้ยเขากำลังนั่งนั่งอยู่อืมคนไม่มีสักคนอืเด็กที่เฝ้าก็ไปอยู่ที่อื่นหมดเพราะว่าเขาจะไปช่วยตรงเรือนไทยกันมากกว่าเ<ห>พอแขกเยอะตัวนี้ไม่มีใครเด็กคนนี้ก็อยู่คนเดียวอืมเขาก็จะเซียวๆหลังอยู่แล้วแล้วอยู่ดีมันก็มีเสียงลูกสนุกแก๊อืมแ๊อืมเว้แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าแขก แทงตัวลูกอ่ะแทงเสร็จแล้วก็เดินมองเหลี่ยมแล้วก็แทงอีกอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มจะเลกิก อ, องอ่แล้วก็เปิดสวิตเพราะว่าไอสา้สวิตคุมตัลุกมันจะอยู่ข้างนอกแล้วเปิดไฟมองเข้าไปข้างหในไม่มีใคร อ, อพอไม่มีใครเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบไม่ได้หน้าที่เราผิดชอบตรงเนี้ยเผื่อเป็นคนมาแอบเล่นหรือว่าเป็นพนักงานไปแอปปแบเปิดตตวลูกเล่นออืเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าของเขารู้แล้วเขาจะว่าก็เลยเดินเข้าไปในจุดที่คิดว่าตัวเองได้ยินเสียงว่ามันมาจากตรงไหนออื เดินเข้าไปไม่มีอะไรเลยพี่แจ๊คลูกสนุกก็ยังไม่มีขบวนโตให้เห็นเลยเขาก็เลยว่าเฮ้ยหรือเราจะฝาอสักพักหนึ่งก็มีเสียงแรกเจ็กเจ็เกจป็นประตูที่ขึ้นอีกคราวงหนึ่งจากห้องใต้ดินเนี่ยขึ้นไปฝั่งของรีสอร์ทด้านบนที่เป็นตัวตึกยุโรปเขาก็เลยเดินกลับมาดูไม่มีคน ก็เข้าใจว่าหน้าจะเป็นเจ้าของเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมีสองคนคือคนเป็นพ่อคนเป็นลูกแต่คนเป็นลูกยังไม่มาคิดว่าคนเป็นลูกน่าจะมาแล้วก็กาลังแบบเปิดมาดูเสร็จพไม่เห็นใครก็เดินกลับน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยนอนอยู่ข้างบนอยู่แล้วเขากลับมานั่งอีกสนุกมันจังอีกแจ๊แดแจ๊ดเขาก็ว่าเฮ้ยหรืใครจะแอบมาเล่นตลกแต่ตอนนี้ไม่กล้าไปดูแล้วนะพี่แดนไม่กล้าไปดูแนละ แล้วถ้าคิดในใจว่าเอ้าถ้ามันจะเป็นอะไรมันก็เล่นไปเถอะกูขอขึ้นข้างบนล้ในขณะที่เขากาลังจะเดินหันหลังขึ้นข้างบนที่ติ๊กนึกภาพโต๊ะไม้สักเลยนะว่ามันหนักขนาดไหนหนักค่ะหนักแล้วครับโต๊ะไม้สักนะอืโต๊ะไม้สักที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นแล้วมันก็มีแบบเป็นขายึดมั่นพื้นอย่างดีนะมันล้มลงมาทับเด็กคนนั้นเท้าแตกไปแล้วหยจริงมากครับต้องบอกว่านิ้วเท้าเสียเลยอะโต๊ะไม้สักทั้งโต๊ะล้มลงมาทับในขณะที่เขาจะเดินออกนะอืม ยิ้เท้าเสียไปเลยคําว่าเสียไปนี้ผมไม่รู้ว่าขนาไหนเขาไม่ได้บอกแล้วพากเสียไปเลยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ อ, อยู่กันอย่างนั้นจุลมุนวุ่นวายกันพอเจ้าของเขาโทรหาเจเจก็ต้องมาแต่เช้าเช้ากับปกติแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยทําไมว่าเจ้าของเขาต้องโทรตามหูเช้าขนาะนี้วะเขาก็เห็นเด็กคนนี้กําลังพันพุงพันแผลพันอะไรทํากันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ก็ถามมันเป็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์ลูกสะุ้กระแทกลูกลนะอะไรเนี่ยแล้วหนูก็มาเจออย่างเงี้ยหนูก็บอก แต่เจ้าของเขาว่าหนูโดนผีหลอกเขายังหาว่าหนูแอบแทงสนุกอยู่เลย<ภ>อแล้วแกไม่บอกเขาว่าไม่ได้แอบแทงก็แกก็เขาบอกว่าเขาได้ยินลูกสนุกกระแทกด้วยอะ่ะแล้หนูจะเอาอะไไปเียงเขาหนูยุคนเดียวอะ<ภ>่ะนั่นหมายถึงว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ยินเสียงลูกสนุกคนเดียวตกวพี่แจ็คพอเจ้าของเขาอยู่บนเขาจะได้ยินเลยนะคร<ภ>ับเจ้าของเขารู้มาว่าว่าเนี่ยผู้หญิคนนี้แอบเปิดตูสนุกเล่นคือถ้าสมมติว่าบรรยากาศมันเงียบๆแหลล้วเวลาลูกสนุกมันกระทบกันะเสียงมันดังนะคมันดังนะฮะเออ ครับแล้วเจ้าของเขาก็เลยว่าว่าเนี่ไอ้ที่เท้าเท้าแตกเนี่ยมึงทาไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกรรมอธิท่าเนี่ยเพราะว่า น, นอนฟังอูนาไล่เห็นแทงทะลุกี่แล้วอะไรเด็กคนนี้บอกหูไม่ได้แทงใครแทงก็ไม่รู้มีเสียงอยู่หูก็ไปดูก็ไม่มีคนเจ้าของเขาก็ไม่เชื่อเลยคนนี้ไงโอ้ไ ล, สะละ่สาระเป็นไปไม่ได้แต่ลูกทะลุก็ดังเต็มของหูเลยเนี่ยดังนั่นแหละถ้าทันอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้นะเขาก็ร้องผมร้องไห้ไงโดนในปีนั่นเองไม่ได้ทําอ่ะก็เจ๊แกเลยบอกแล้วอย่างนี้แหละ มันเข้ากับวันนี่เป็นรอยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกูกลับไปบอกที่พ่านกูก่อนว่ากูจะมาเข้ากลางคืนแล้เดี๋ยวกูจะเข้ามาแทนมึงแล้วอยู่ไปถึงกลางคืนเลยครับอเจ๊แกก็ทําอย่างนั้นจริงๆเด็กจะอยู่แป๊บนึงมันก็เจ็บอะเนาะไม่อยากอยู่นานพอเจ๊แกมาแกก็อยู่ไปทั้งวันเลยครับคืนแรกสองคืนแรกสามคืนแรกไม่มีอะไรนะพี่แจ๊คไม่มีอะไรเลยแกบอกพันเป็นไปไม่ได้เพาเด็กคนนี้มันจะเจอผีพราะแกอยู่แกก็อยู่คนเดียวครับแล้วมันจะมีอ่า ยามยามนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันกับแกเนี่ยเข hmm. พูดง่ายๆว่าเพื่อนรุ่นที่ปีสองปีเนี่ยชนิดที่ว่าจะผู้กูมึงกันได้เหมือนกันนะ hmm. ก็มาเข้าเวรตอนกลางคืนอยู่นั่นแ่ะแต่ยามเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เดินตรวจเนี่ย hmm. เดินตรวจหมดจะไม่ได้อยู่ในห้องตรงห้องรับรองตัวนี้อย่างเดียวหรอกแต่ตกดึกดึ ก, ดกช่ที่สองที่สามเดี๋ยวยาวก็จะเข้ามานอน hmm. เป็นปกติดีห้าหกโมงก็จะตื่นขึ้นมาชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ย oh. อยู่มาได้อาทิตย์นึงวันนั้นแก เข้ากลางคืนปกติแล้วก็เดินไปทางฝั่งนู้นเหมือนเดินไปเล่นทางบ้านอ่าเดินไม้เดินไทเพราะว่าฝั่งนี้มีคนอยู่แล้วสภาพแกก็เดินกลับมาช่วงตีห้าช่วงตีห้าพอเดินกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยแกก็มองไปทางขวามือปุ๊บอ่าโอเคพยายามนอนอยู่นอนสภาพเดิมเอาหมวกปิดล่าเหมือนเดิมท้าเดิมที่เดิมที่เคยนอนทุกวันแกก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปปอกผลไม้ซึ่งตอนเช้าเนี่ยจะต้องเอาให้กับเจ้า ข, ของโรงแรมนะเขากินเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเตรียมไว้ให้เขา แกก็เดินไปปอกผลไม้แล้วก็ล้างถ้วยล้างอะไรอย่างเงี้ยล้างแก้วที่แกกินเองบ้างถ้วยข้าวที่กินกันนะก็มันกำลังยืนอันหลังล้างอยู่ก็มีเสียงของรองเท้าคอมแบกของพี่ยาเนี่ยเดินกึกลึกึกลึกลึกลหลังแกไปแล้วก็ไปที่ตู้ทํากาแฟชุดที่ทํากาแฟนะจะมีชงกาแฟมีคนมีตักมีก๊อกแคทก๊อกกดน้าร้อนปุ๊บแล้วก็มีการคนแล้วก็คอแก้วซึ่พี่ยามคนนี้จะเคาะอยู่ประจำเก่งเก่งเก่งเหมือนเคาะเล่นน่ะ แต่แกก็จะเอ็ประจำแล้วแกจะเคาะทไมวันเนี้ยประจำอันนี้แกก็ได้ยินเสียงแจ้งแจ้งแกก็พูดกับแม่พยายามตื่นมาแล้วก็นะเอ่อตื่นมาแล้วกินเลยเหรอแต่แกไม่ใช่เขาว่ากินนะแกใช้แรงกว่านั้นตื่นมาแล้วกินเลยเหรอเสียงเงียบเคาะแกกับใครเหมือนเดิมแจ้งแจ้งจงเออดีไว้ตื่นมาแล้วก็กินไว้ค่อเออออออแกก็เอาหลังทํางานพูดไปแล้วปากพูดแล้วปากพูดขํามไหล่ตัวเองไปตัวเองเนี่ยพุ่มได้อยู่ที่สิ่งร้างการ แล้วเสียงก็เดินกลุดกลุดไปพอแกทำอะไรเสร็จกก็อัดมองวางแล้วก็เช็ดนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินมาอา้าพยายามนอนอยู่ที่เดิมอือแกก็เดินไปเอามือเดิไปเขี่ยตรงจมูกเลยครับ<ะ>เฮ้ยยามกินเสร็จแล้วก็นอนเลยเหรอแต่แกไม่ใจเขาว่ากินนะผมเตืนอนคำนี้หน่อยกินเสร็จแล้วก็นอนเลยเหรอมันจะสบายไปมั้งเนี่ยฮะครับ<ะ>ยามเขาก็ลุกขึ้นมาอะไรของมึงวะอืมอ้า เมื่อก <not> go ี้พี่ไงกินแล้วก็นอนสบายไปเปล่าเดี๋ยวจ้าขก็ลงมาด่าเขานะไม่ไม่ไอ้กินแล้วก็นอนคืออะไรกูยังไม่เดินไปไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เมื่อกี้นี่ไงพยามเดินไงชงาแฟไงมีเสียงกงกรง่งไงทุกวันนี้ไงเฮ้ยกูยังนอนอยู่ี่เลยเห็นตากูไม่ตากูเห็นไม่ได้แหยตาให้ดูเลยตากูยังแดงอยู่เลยตื่นก็มึงเรียกกูได้แหละเฮ้ยไม่ใครมั้ง เป็นไหนเขาบอกเป็นผีไม่รู้ต น, นุกเลยแล้วมันเป็นเสียงคอมแบทได้ไงวะยายเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันนู้นแต่ว่ากูก็ไม่เคยเจอวะ่ะแต่ว่าไอ้ที่กูตืนะ่นเนี่ยเพราะมึงแน่นอนกูยังไม่รู้ไปไหนเลยเนะี่ยพี่แกก็เริ่มสังเกตละเฮ้ย ว, วันแรกก็เอาไอา้วันที่จะโดนวันแรกนี่ก็เป็นคอมแบทแล้วนะไหนเขาบอกเป็นลูกตนุกวะไอ้เราก็จับตาฟังลู้ต น, นุกทุกวันเลยพออีกวันหนึ่งคือตอนเช้าแกกลับไปปกติพอเด็กมาปกติจะกลับไปตอนคืนแกกลับมาคืนเนี้ย ไม่มีใครอยู่เลยครับ<ะ>ไม่มีใครอยู่สักคนยางมันก็เดินมปทงังฝั่งนู้นแกอยู่คนเดียวเจ้าของโรงแรมก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่แขกก็ไม่มาในห้องที่เปิดไฟแค่หลอดสีส้มหลอดเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีแขกเขาก็ปิดทั้งห้องดหมดนะครับแกจะเปิดไฟสีส้มแค่ตรงเคาน์เตอร์แกนะพี่จันนั่งอยู่คนเดียว<ะ>นั่งดูนู่นนี่นั่นบ้างโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างก็มีเสียงแกแกแกของประตูด้านบนอื ซึ่งแกกาลังจะเดินลงไปด้านข้างพอดีแล้วมีเสียงประตูมแกก็ต้องกลับมานังที่เดิมไงกลัวว่าเจ้าของอจะมาถึงแล้วบอกเอ้าเฮ้ยทำไมไม่แสดงาฟอยู่นี่วะหายไปไหนมาแกก็เลยกลับมาเั่งปรากฏไม่มีใครพอรอเวลาสักห้าทีแล้ไม่มีใครเดินลงมาเว้ยก็เลยเดินย่องมาดูที่ันใจว่ามีใครลงมาไหมเอาไม่มีสงสัยคงจะเปิดดูแล้วก็ออกไปอืแกก็เลยกําลังจะเดินลงไปข้างนอกคือจะมาขึ้นฝั่งฝั่งทางประตูออกตรงนี้ยครับเสียงลูกศุ๊มาแล้วคร แรกแกก็แอะสงสัยจะของโรงแรมอะไรก็เล่นมุกนี้พรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูเปิดปุ๊บแล้วเสียงสนุกก็ตามมาจ<ะ>ึงคิดว่าจะต้องมีคนเดินลงมาแล้วไปแอบซ่อนตัวแล้วทาอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกไม่กลัวละเว้ยอื่งเล่นเแ<ะ>ต่แกไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือว่าจะเป็นอ่าน้องน้อ ง, องแกล้งกันจากฝั่งบ้านเรือนไทยท<ะ>เสียงว้แร ก, กแรกแกบอกแทงได้แทงป้ายแกก็ย่องไปดูนะแต่ขณะที่รุ่นสนุกยังมีแรก แก่อยู่เป็นจังหวะย่องเข้าไปอยู่ครบทุกโี่จัดไม่มีใครเล่นเลยออืแต่ก็เฮ้ยพอานั้นคนหลังเริ่มลุกแล้วแต่แกเป็นคนที่ชอบแบบให้พอเอร์ตัวเองอ่ะผมไม่เชื่อหรอกมัจริงหรอกว่ายังไงแตมันจะต้องมหูแว่วเลยวะคือผู้คิดเรื่องตะลุมากเกินไปว่าคืนนี้อยู่คนเดียวด้วยก็เลยเดินออกมาพอเปิดประตูชั้นแรกก็มาเปิดประตูชั้นสองกมาเพราะเป็นประตูที่จะเข้าไปสําหรับโซนตัวสนุกไปเรื่อยๆพอเดินลงมาจะถึงหน้าประตูใก แรกแกว่าสงสัยเจ้าของโรงแรมนั่นแหละต้องแกล้งแกแ่ก็เลยย่องในขณะแรกเนี่ยแ ก, กค่อยๆไปแบบช้าๆนะไปเทียนหน่อยค่อยๆแบบเดินเข้าไปทางโต๊ะอ่ะพราต้องรก้ว่จะูมอยู่แล้วอ่ะไปใต้โต๊ะต้โต๊ะไปมงองๆดูว่ามีใครมไม่มีเลยพี่จัแ ก, ก็เลยเฮ้ยจู่ๆทุกค น, นไม่มีใครทำวัดตอนนี้แกเริ่มเดินเดมา้วยความเร็วแล้วเดินมาด้วยความเร็วมือลนลานเปิดประตูปุ๊บปุออกมาชั้นแรกออกมาชั้นสองออกมาชั้นสาเสร็จป ตัวกำลังจะผลประตูมาลูกทะลุไปดังแตกแตกกแตกแกแตกแตกแตกแตกแตกแกอนอมือจะแทะลูกทะลุลงโต๊ะลงโต๊ะลงโต๊ะลงโต๊ะรัแกแกแกแกแกแบแวิ่งเลยแกไม่สนใจอะไรแล้ววิ่งนข้างบนเลยแล้วก็ไปยืนขอบอยู่ข้างบนสัปดาเจ้าของแหลมขับรถเข้ามามาทําไมตรงนี้เนี่ยหนูจะยินเสียงประตูเปิดเมื่อกี้นี้ไม่ได้มาหรอคะคัก็นี่ไงก็คุณขับรถเข้ามานี่ไงจะมาได้ไงตอนนั้นล่ะ เออแล้วใครเล่นสนุกอีกแล้วสนุกอยู่แล้วเจอสนุกอู่แล้วอ่ะออันนี้อยู่วไม่ีด้เมาเลยน ะ, ะแล้วหนูก็เป้นวิศวกรด้วยเออเสียไม่เชื่อหนูเหรอมันก็ไม่เช่ไม่เชื่อแต่มันเกิดอะไรขึ้นวะเราเพิ่งสร้างใหม่ไม่มีใครตายด้วยแล้วมันจะเป็นงันได้ไง<ถ>อันที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับแกก็เลยต้องลงไปอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีพี่ยามลงไปอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจบอกเลยว่าอยากได้อะไรให้มาเข้าฝาันบอกหรือว่าเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่เคยมีการไหว้กันคล้ายๆที่นน่นพอกแกพูดเสร็จ ก็มาเข้าฝันบอกว่าขอเล่าขวดกับไก่คู่หนึ่งเหมือนกันกับฝั่งโน้นเลยหรอถ้าเป็นคนคนเดียวกันบ้านไม่รู้อะไรนะครับเป็นคนคเดียวมาหรือเปล่าไม่รู้คนคเดียวกันหรือเปล่าคนละคนครับคนละคนคนละคนคบคนละคนแกก็เลยทําให้แล้วแกจุดจางแจงด้วยพอาะนี่เป็นเรือนฝรั่งคลายๆว่าเขาจะไม่ยอมมาจุดทูข้างในเลยครับครับเขาก็เลยจุดจางแจงคณาบ้านแล้วตั้งแต่นั้นเสียงสนุกก็ไม่เคยมีอเลย ก็ประมาณเท่านี้แหละครับอาจารย์เป็นเรื่องของอาถังการไหว้ว่าเนี่ยคือความเชื่อคนไทยเราว่าจะต้องไหว้ถูกต้องครับคือเพราะว่าเขาไม่ไหว้เพราะว่าหนึ่งในเด็กที่ทํานที่นั่นเป็นคริสทั้งหมดเลยนีแก่คนเดียวที่เป็นพุทธต่ส่วนมากเนี่ยเรื่องการไหว้หรือว่าการไม่ไหว้นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับอย่างเช่นถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นความเชื่อแบบไทยเราเอาไทยก่อนนะครับอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าพุทธนะถ้าพุทธเนี่ยก็จะ ไปดี๋ยวจะไปถึงเรื่องศาสนานะครั บ, รบอเรื่องของไทยเราเราจะมีความเชื่อกันว่าเอ้ยถ้าเป็นสถานที่แบบไทยๆอย่างเงี้ยเราต้องมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปปลูกอยู่ในสถานที่ที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งเราก็จะไม่มีการไหว้กันแม้ว่าเจ้าของจะเป็นคนไทยก็ตามถูกไหมฮะครั บ, รบ อ, อยู่ที่สถานที่นั้นด้วยแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณที่มีเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางที่เขา าการให้มากราบไหว้ให้มาบอกเขาสัหน่อยให้มาเขาเรียกมามาเส้นไหว้เอาของมาให้เขาสัหน่อยเนี่ยเหมือนจะเป็นอย่าเ อ, อ เ, เหมือนเขาพยายามที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยคุณมามีเครื่องเส้นมาสัหน่อยไหมคุณมาบอกกล่าวสัหน่อยไหม ครับใช่เพราะว่าเขาลักษณะเขาก็ไม่หลอกต่ออะไรจนมากเกินไปนะครับเหมือนกับว่าเขาจะแบบส่งสัญญาณให้รู้แต่ว่าจะมีเยือนไทยอ่ะคือเด็กที่สัมผัสได้อะโดนหนักหน่อยนักทางเดือนฝรั่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เขาแบบไม่เชื่อสีทางเนี้ยไปพูดจาลุกลุ่ยปเปล่าเพราะว่าเขาเล่าแค่นั้นก็จริงแต่ถามว่าถ้แค่นั้น่ถึงขนาดต้องนิ้วเท้าแตกเลยเหรบเขาทําอะไรมากกว่านั้นลึกเปล่าซึ่งท็อปเด็กก็รลฟ์ฟังแต่แกบอกว่าอืมมันก็ไม่บอกนะถามมันก็บอกมีแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ เขาคงไม่บอกหรอกว่าเขาไปไปถ้าถ้าเขาทาจริงอะ่ะผมว่าไม่มีใครพูดหรอกคุณคิงคุณผู้ฟังจริงนะว่าเอ้ยไปไปไปไปว่าเขาไปไปลบหลู่เขาอะไรเ ง, งี้ยคงคงไม่พูดหรอกอ่าเขาก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรนะรโอ้นะครับจะมองในเรื่องของอาถรรพ์ก็ได้หรือจะมองในแง่มุมของเรื่องอุบัติเหตุมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเฮ้ยโต๊ะไม้สักอะ่ะอยู่ดีมันล้ลมลงมาได้ยังไง ถูป้ะใช่คือดนบริเนี๋ยจเล่าให้ฟังว่ า, อ, าอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายเนี่ยจะขยับมันยังยากเลยครับหนักถูกต้องมันหนักมากมันหนักจริงๆผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะจะทําให้มันล้มลงมาใส่เท้าตัวเองด้วยเนี่ยนี่ยากเลยเลยครับโอ้นะครับแต่หลังจากมีการเส้นไหว้บอกกล่าวจุดทู่อะไรไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนจะกลับมาดีขึ้น เห็นเจ้เขาบอกว่าอยู่จนออกอ่ะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งบางที่ก็สองอาทิตย์แต่เจ้ก็ยไม่ขึ้นได้เจ้ก็จะบอกว่าอ่าอ่าลืมไปน่อยแล้วอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้เอามาไหว้แล้วนะอะไรเงี้ยก็มีขนมหวานบ้างข้าวใส่ถ้วยบ้างแล้วก็จุดธูปปักไปให้เขาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทั้งหมดที่คุณคิงเล่ามานะเจ้ก็ใจเด็ดจริงๆนะคือแกพยายามจะทําตัวแบบเป็นเหมือนกับอ่าผู้ใหญ่ปกครองน้องๆ ต้องทําให้น้องน้องเห็นว่าเฮ้ยฉันทําได้เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเจ๊จะรู้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่น้องๆ้องพูดสิ่งที่น้องน้องเจอกันเจ๊ก็ต้องเจอครับโอ้คืออย่างเช่นเดินไทยน่ยยกตัวอย่างว่าเจ๊แกก็ไม่งงไงที่ผมฟังกันแล้วว่าหนึ่งเลยลักษณะการพูดพี่จ็คนมีความมั่นใจมากพูดพูดพูดแล้วกจะเป็นคนพูดเร็วพูดเรับแล้ว เลย ว, ว่าจะเริ่มจากการที่เข้าไปด้วยความไม่เชื่อบอกเบอกว่ผีแกก็เลยทำทุกคนดูว่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวกูก็เจอเองไงอยากให้จะบอกอะไรเองว่ใช่อะไรอย่างนเงี้ยแกก็ทำทำแล้วมันก็เป๊ะอย่างนั้นจริงๆแกต้องยอมรับตรงนั้นผมบอกให้มาเข้าฝันขอว่าจะเอาอะไรก็มาจริงๆแล้วพอมาทางฝั่งฝรั่งแกก็เริ่มด้วจุดเดิมคือเริ่มแต่จุดที่ไม่เชื่อถ้าคุณว่าแกไปถึงแล้วแกไปแบบเอามาให้ทุกคนมาไหว้กันเนี่ยแล้วเรื่องมันเงียบไปเนี่ย ทุกคนอา จ, จะพูดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญอาจจะไม่มีอะไรนันแรกอยู่แล้วก็ได้ครับแต่แกมาด้วยความที่ไม่เชื่อเหมือนกันคืออ้ามึงไม่ไว่ายปุกก็ไม่ไว่ายเดี๋ยวมึงอยู่ยัางไรปุอยู่อย่างนั้นนะและดูว่าเจอเหมือนกันไหมแล้วไปเจอจริงๆแะท่านี้แหละท่นต้องว่ายด้วยกันทุกคนและครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหรือว่าแขกที่เข้ามาพักเนี่ยเจอบอ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบอ่ารู้กค้าทางฝั่งเดินไทยครับเห็นจะบอกว่าอยู่ดีก็มีออกกระชันขันบ้างแต่ฝั อือนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยรีสอร์ทนี้ยังคงเปิดทําการอยู่น่าจะยังอยู่น่าจะยังอยู่นะฮะอยู่ในจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดก็แล้วกันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแน่นอนครับนะครับอือเอาละฮะเรื่องของอาถรรพ์การเส้นไหว้นะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีความเชื่อนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก็เส้นไหว้ไว้สัหน่อยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เสียหายนะฮรมันอยู่ที่สถานที่ แล้วก็ถ้าอเขาเรียกว่าถ้าใครพอจะไหว้ได้ผมว่าเกาะก็ไหว้ซะหน่อยบอกกล่าวซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถูต้องถูกต้องเพื่อความสบายใจครับนะครับได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของอาถรรพ์การเส้นไหว้นะคุณคิงครับยังไงขอบคุณมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะพี่แจ๊คขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากที่รายการช่วยแล้วตอนนี้ก็ไปซื้อมาแล้วที่ผมขายไปใน facebook ต่อทุกวัน คือผมบอกเพื่อนๆที่เขาฟังเดอโค้ชด้วยนะครับที่เปนเรื่องเฟเนี่ยผมไปซื้อลยามาต้องแจ้งก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมผ่านพิจักไงก็อ้งอ่ะผมไปซื้อลิ้ายาเพราถามว่าส่งได้ไหมส่งได้แต่เ้าบอกเป็นอาทิตย์ก็จะสรงมาถึงผมอ่ะผมเลยบอกวั้นถ้าผมไปเอาเองมาได้ไหมเขาบอกว่าเอาเองก็ได้ผมก็เลยไปเอาเองเลยเดินทางไปเอาเองยิดีฮะยังไงก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็มาแจ้งข่าวกันอีกทีนะคุณคิงนะได้ครับโมาสาธุด้วยครับ ครับสุสาุาธครับลวอบคันเลยนะครับทาบุญกันมาแล้วก็ที่สาธุกันครับได้ครับคุณทีมขอบคุณมากมากครับสำหรับคืนนี้แลงวท่านล้าไหมครับจเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับดีครับ